พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11พฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าพญานาคโมโหอา้าวลูกหลานเนี่ยในความสงบเงียบสงบมีอะไรหลวงพ่อจะเล่าอะไรให้ฟังวันนี้เป็นวันที่ส1อ พฤศจิกายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันศุกร์นะค่ะัสัทธาญาติโยมลูกหลานวันศุกร์ที่11วันนี้อยากจะแจ้งข่าวความเสียหายจากน้ำท่วมวัดป่านาะคำน้อยให้กับพวกเราได้รับรู้รับทราบร่วมกันแต่ก็ไม่ให้ใครหนักอกหนักใจทั้งหมดนะั่นเพราะว่า วัดของเราเนี่ยใช้แบบระบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างในหลวงที่ท่านเคยตรัสเอาไว้นะเยลยหลวงพ่อจะเ ล, เล่าให้ฟังเนื่องมาจากวันที่เก้าัแต่ฝนตกตั้งแต่สี่ทุมนะ่มสี่ห้าทุมนะ่มเริ่มเริ่มนะแต่ว่าหลวงพ่อตื่นขึ้นมากับเที่ยงคืนพอดีตื่นขึ้นมาฟ้าร้องแรงพอหลวงพ่อตามปกตกิจะนอนประมาณสี่ทุ่มกว่าสีทุม่มครึ่งนอนนะพัก พอฟ้าร้องแรงเอโอ้โหทำไมฟ้าร้องแรงนะก็เลยลุกขึ้นมาก็เลยส่องไฟฉายดูนาฬิกา เ, าเที่ยงคืนโอ้ฝนทำไมแรงขนาดนี้วะจากนั้นก็ฟ้าร้อง เ, อเสียงดังด้วยมังก็ฝนตกจกัจกจจนถึงตีสามตีสีโอ้พอออกมาจากห้องออกมาจากห้องของพระขึ้นไปรับบาตร ท, ทากิจวัตร ที่พระเคยทำนะทานพระก็รายงานให้ฟังว่าหลวงพ่อน้ํามาอย่างเร็วเลยวหมกันเดี๋ยวนี่เกือบท่วมสะพานแล้วทางหน้าวัดเท่านั้นแหละหลวงพ่อก็เลยออกจากห้องมาลงมาเลยเออเลยมาสั่งการสั่งงานอันไหนควรจะเก็บควรจะยกขึ้นไว้ในที่สูงช่วยกันนะพระนะตัวพระของเราก็ทั้งหมดมันมีอยู่สาสิบกว่าองค์นะพระเกือบสามสี่สิบองค์ แล้คนในวัดอีกต่างหากคิดว่ากําลังของเราพร้อมพอที่จะจัดการงานได้ก็ประมาณสักเจ็ดโมงกว่าทุกอย่างก็เกือบแปดโมงเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ในสภาพก็พร้อมตีเตรียมพร้อมที่จะรับน้ํามาจะมาไม้ไหนกันพร้อมเราก็พร้อมที่จะช่วยช่วยกันจับตามองฮะ เขามาชั้นจันหานที่นี่นะ้านน้ำมันเออขึ้นมาแล้วก็จะขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็บอกว่ากุฏิหลวงพ่อเนี่ยเป็นจอมปวกใหญ่สูงที่สุดในละแวกนี้ถ้ามีปัญหาน้ําขึ้นมาให้พวกเราจะไปที่อื่นนะเออให้เดินขึ้นไปกุฏิหลวงพ่อเลยอตรงนั้นจะสูงที่สุดที่หลวงพ่อได้สำรวจดูแล้วนะอหลวงพ่อก็บอกพระในวัดนะ ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วเข้าปกติเมื่อบ่ายของวันที่เก้านั่นแนหะพอบ่ายวันที่เก้าก็ดูสิคนน้ําลดอวบอับอย่างเร็วทําไมจึงลดเร็วทราบข่าวว่าเขื่อนฝายไม่ใช่ว่าเขื่อนพราะสมควรนะฝายน้ําลางฝายน้ําล้นน้ําลางมันแตกพอแตกน้ําก็เลยไหลอ้วบลงอย่างเร็วนวัดของเราก็ลดน้ําลดอย่างกระทันหันเห็นได้ชัด แต่บางคนก็กลัวว่าน้ำจะท่วมอีกไม่มีหลักลูกหลานหลวงพ่อมาอยู่นี่สามสิบกว่าปีอันนี้เป็นครั้งที่สองสิบกว่าปีจะมีครั้งหนึ่งน้ำท่วมอย่างนี้เพราะนั้นพวกเราไม่ต้องคิดจากนี้ไปอีกก็คงหลายปีน้ำถึงจะมาอย่างนี้อีกหลวงพอ่อได้สืบดูประวัติศาสตร์ของผู้เฒ่าผู้แก่ในละแวกนี้เขาก็พูดอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่แหละ คนนั้นหลวงพ่อลูกหลานไม่ต้องกลัวที่จะมาซ้ำซ3ำหนึ่งซ้สองนะเนี่ยแต่นี้ก็เมื่อผ่านไปแล้วทีนี้ความเสียหายเออขอตำรวจให้หลวงพ่อให้พระเอาตลับเม็ดไปวัดดูนะเพื่อให้ชัดเจนใครถามเราก็จะได้รู้แต่ทางนี้ทางนั้นบอกความเสียหายไปในวัดเท่านั้นแหละ มันเสียหายยังไงก็หวาตามไ้ความเสียหายนะพระคันธเกลรายงานให้ให้ฟังนะท่านบอกว่ากำแพงล้มช่วงบอกคอนเวิร์ดห้วยทรายทางห้วยทรายก็คือทางทางทางซ้ายมือหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ละเป็นลำห้วยลำลางมาจากป่ายางของเขานะล้มห้าสิบเจ็ดเมตร กำแพงล้มนะห้าบเเมตรน้ําผุดน้ํามุดหลอดกําแพงช่วงบล็อกคอนเวิร์ตห้วยใจยีนะ่สิเมตรน้ํามุดกําแพงแต่ยังไม่ล้มนะถ้ามุดมากๆก็คงจะล้มกันนะแต่มันมุดมาจะต้องได้ซ่อมอีกกาแพงล้มช่วงประตูป่าช้าลงถึงสะพานสีสบห้าเมตรนะกำแพงล้มนะถนนขาดช่วงประตูป่าช้าลงถึงสะพาน เมตรน้ำมุดกำแพงข้างปายช้า46เมตรน้ำมุดกำแพงทางโค้งที่ลงไปจากประตูใหญ่หลังวัดถึงประตูบินทบาตสายบ้านห้วยเวียงงามยี่สิบสองเมตรกำแพงสะพานป้อมตำรวจขาด้ายไปแปดเมตรถนนทางลงไปพระตำหนักป่ามะม่วง 35มเมตรรวมยอดความเสียหายกำแพงล้ม110เมตรน้ำมุดกำแพง94เมตรถนนขาด37มเมตรเนี่ยอันนี้ก็คือความเสียหายที่เกิดในวัดของเราหลวงพ่อว่าอย่างไงหลวงพ่อก็เฉยเฉอยู่นะ อีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็จะต้องทิ้งร่างกายหลวงพ่อเหมือนกันจะไปหาเจดายทำไมตำแพงมันมีเท่าไหร่แล้วก็ซ่อมไปเท่านั้นแหละ เ, เดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็บอกว่าอันดับแรกหลวงพ่อก็ให้พระในวัดของเราเนี่ยพาลูกพะหลานศรัทธาญาติโยมไปปักหลักทาเสาปักลงไปแล้วก็เอาไม้ไผ่ตีเป็นลาว แล้วก็สังกะสีของเราในวัดของเราผุผพังพังกระโปงกระเบื้องที่ยังเป็นแผ่นอยู่สังกะสีแล้วก็ไปตีปิดเพื่อมาให้พวกสัตว์พวกแก้งพวกสัตว์หมูป่าก็มีอยู่แล้วก็พวกกระจงพวกเต่าเต่ามังกรคานตุ่มเตียมไปเหมือนกันนะแล้วก็ให้ปิดลงไปถึงพื้นเลยนะอย่าให้เต่าออกได้ ออกไปมันก็เหมือนกับไปตายนั่นแหละถ้ามันออกไปเจริญรุ่งเรืองเราก็ไม่ว่าอะไรออกไปแล้วก็ชาวบ้านจับไปเป็นอาหารนี่เราก็สงสารพวกสัตว์แเราก็ตีเราปิดเรียบร้อยหมดแล้วละ่ะถามถามดูแล้วนะเนี่ยแหะคูบาท่านก็นเร็วเหมือนกันนะใครๆว่าปิดช่องว่างเพื่อมาให้สัตว์ทั้งหลายออกไปหาไปออกไปข้างนอก แต่ได้มาเราก็ยังไม่ได้ประชุมกันหลวงพ่อเองคงจะเรียกประชุมพระหรือคณะทศัทยญาติโยมวางแผนที่หนึ่งความจำเป็นที่หนึ่งเราก็จะเอาให้ทำอะไรก่อนแล้วก็แผนที่สองปันจเป็นมากเราก็ใช้เป็นที่สองแผนที่ส เราก็คิดว่าเนี่แหละเอาปักหลักไว้สังกสีปิดไว้ก่อนอ่มันมีทุนมาเมื่อไหร่เราจึงทําเราจะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าทําเราไม่ใช่เงินถุงเงินถังเราจะทําแบบเป็นนี่เป็นสีเราจะไม่ทําเด็ดขาดเราทําเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆว่ามมันพังแล้วก็เอาสังกสีปิดไว้ก่อน ต่อไปเราก็คิดขึ้นมาเราก็ค่อยทำไปเนี่ยแหะขอให้พินหลวกเราพวกเราทุกทกคนนะที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อนะไม่ให้หนักใจเรื่องด้านวัตถุทางสวนบ้านเมืองก็เหมือนกันหลวงพ่อเองก็ไม่เขาก็ถามมาเหมือนกันนะว่าหลวงพ่อทางบ้านเมืองเขา่ายังไงหลวงพ่ออืม้มทางบ้านเมืองก็ไม่ต้องรบกวนท่านหรอกถ้าเจอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านเชียววธก็ตามท่านอำหนวยก็ตามท่านผู้กากับผู้บัญผู้บัญชาการผู้ผู้การจังหวัดก็ตามทำตำรวจนะไม่ต้องมีอะไรแต่จะเข้ามาช่วยก็มาช่วยได้แต่จะให้หลวงพ่อขอร้องนะหลวงพ่อว่าไม่จำเป็นให้ไปช่วยชาวบ้านคนอื่นซะที่ขอจำเป็นมากกว่าเพราะพวกเราอยู่ในวัดความจำเป็นเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรมาก มีเรามีแต่อยู่วัดตนเองปฏิบัติธรรมไปมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันกับกำแพงขาดเราภาวนาอยู่ในจิตในใจของเราข้อสำคัญข้อสำคัญใจเราอย่าขาดเท่านั้นแนะกำแพงขาดไม่เป็นไรแต่ตอนตรงไหนขัดข้องเราก็ช่วยช่วยกันทําช่วยๆ่วยกันคิดนะเรื่องจะตูุปัจจัยที่ได้มาก็เอ อ, เ, อเราไม่ต้องเรียอะไรไม่ต้องขอแต่ถ้าว่าผู้ใดอยากจะทาบุญ อยากจะทำบุญเพราะมันเสียหายอย่างที่พวกเราได้รู้ได้เห็นเนี่ยเดตกหงพ่อได้แจ้งข่าวเน่ยหลวงพ่อก็บอกว่าให้โยมใครก็ได้จะบอกบัญชีวัดถ้ามีศรัทธาจะมาร่วมก็ได้เพราะว่าการทำงานคราวนี้มันเราไม่ได้เสกคาถาเป่าฟูดฟาดเป็นเงินเป็นทองไม่ใช่ของอาศัยปัจจัยจากพี่น้องลูกหลานถ้าผู้ใดเดือดร้อนโอยยาทำ ถ้าโปรไทมีอันจะกินพอที่จะช่วยเหลือได้คือเอามามาช่วยกัน เ, เพื่อซ่อมแซมวัดที่มันเสียหายถ้าว่าใคร เ, เดือดร้อนอยู่แล้วไม่ต้องหลวงพ่อไม่ต้องการจตุปัจจัยจากคนที่ไม่มีศรัทธาส่วนหนึ่งแล้วก็คนยากจนส่วนหนึ่งอยากจะทําบุญอยู่แต่มันยากจนหลวงพ่อก็จะเอามา ถ้าไม่มีศรัทธาเป็นเงินร้อยล้านพันล้านก็เถอะถ้าไม่มีศรัทธาก็อย่าเอามานะเออเอามาที่ออกมาช่วยนะคือผู้มีศรัทธาผู้มีศรัทธาทึ่จะมากจะน้อยก็ไม่ว่ากันเออบอกเอ่อกาวกันเนอะแต่ถ้าว่าขวร่วนรัฐการขอ น, นกันไม่ต้องหนักใจเออทุกท่านผู้ทุกระดับนะไม่ต้องหนักใจเออหลวงพ่อจะอยู่อย่างพระนะเอ่อแบบเศรษฐกิจพอเพียง อย่างในหลวงที่ท่านตรัสนะถ้าไม่ทามันจําเป็นแล้วก็บทำรั้วอย่างที่นั้นไมื่ก่อนไม่ใช่บอกฝนมันจะมาทุกปีไม่ใช่ตรงพ่อมาอยู่ที่ถึ่ง30สิปีมันก็มาเพียงสองครั้งนะเจ็ดแรงๆอย่างเนี้ยแต่นอกนั้นก็ไม่แรงก็มีอยู่หลายครั้งนะแต่ในผอยนั้นถ้ามันไม่แรงกันรั้วสังกสีมันก็อยู่ได้นานพอสมควรอยู่มันพังมันแล้วก็ทําใหม่ ไม้ของเรามีตั้งเยอะแยะที่เราปลูกขึ้นมาเออขึ้นมาเยอะแยะไปแล้วก็พร้อมกันไม้ที่เราปลูกเมื่อปีนี้นะอยากจะให้พระทุกองค์ที่นั่งอยู่ที่นี่นะลงไปยกต้นต้นมันขึ้นนะ่ะที่มันนอนกับดินนะให้ช่วยๆกันเลี้ยงหน้ากระดานกันแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็เอาไม้คำ้ำยกขึ้นมาไม้คำ้ำถ้ามันนอนกับดินเนะี่ยเดี๋ยวมันจะตายนะให้ช่วยๆกันไปดูนะทางในครัวด้วยนะ ให้ช่วยๆกันไปยกต้นไม้ขึ้นจากดินที่ขี้โคลนมันทบทับถมอยู่นะ่ะต้นไหนที่มันยังไม่ตายก็ฟื้นฟื้นขึ้นมาจ้ะทามันตายแล้วก็ปีดต่อไปเรายังไข่ปลูกขึ้นมาอีกพอมันปลูกขึ้นมาขาวหน้าเนี่ยก็คงน้ําก็คงจะไม่มาอีกอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยสิบกว่าปีมันมาครั้งหนึ่งไม้มันก็คงใหญ่ๆแล้ะคงจะสู้ได้ น, ะนี่แหละเราอยู่กับไต้ฟ้าจะทํายังไงได้ ไต้ฟ้าไต้แผ่นดินเราก็ต้องอยู่ใต้รรมชาติวันไหนปีไหนเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนี่แหละเราไม่ต้องทกใจสรุปแล้วนะเราไม่ได้บวชมาเพื่อก่อสร้างไม่ได้บวชมาเพื่อแบกโลกนะบวชมาเพื่อลักิเลสภายในใจของเราจะทำยังไงเราจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดตามแนวแถวพุทธตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ของพวกเราแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเพราะนั้นขอบอกแจ้งข่าวทุกๆคนนะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อทุกคนไม่ต้องหนักใจนะแต่ว่าที่จะผู้ใดก็ตามจะยื่นมือเข้ามาช่วยนะเราก็ไม่ปฏิเสธนะผู้มีศรัทธานะแต่ถ้าผู้ไม่มีศรัทธาเลยแล้วอย่าไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องการเกี่ยวข้องด้วยนะ อย่างถ้าไม่มีศรัทธาหรือเอา้าก็ไม่ว่ากันเราไม่ได้ว่ากับผู้ใดใครทั้งหมดนะอพอมันเรื่องของวัดเราไม่ใช่เวไม่ใช่เรื่องของใครอื่นนะ เ, เป็นเรื่องของวัดเร า, เามันเกิดขึ้นมาวัดเราเราก็ต้องแก้ไขวัดของเราแต่ไม่ต้องให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งเดือดร้อนนะมันทำแบบสร้างแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะ เราเคยทุกข์จนมาอย่างนี้เราเคยทำมาแล้วเคยอยู่มาแล้วหนะลวงพ่อมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็ยังบอกนะไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่หนกวาดใบไม้ขึ้นมาเป็นกองใบไม้แห้งแล้วก็เสือปูนะอแล้วก็กางกรดแล้วก็มุ้งเ้นเข้าไปในตีนเ้นในเชือนะเพื่อมาให้มแมลงป่องกับตะขาบไต่เข้ามากัดกล <c oughs> างค่ากลางคืนนะ หลวงพ่อเคยโจรมาขนาดนั้นแล้วแต่มาถึงจุดนี้แล้วมีพร้อมทุกอย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเราจะไปเดือดร้อนอะไรเราก็อยู่อย่างเราอยู่อย่างพระนะอยู่อย่างพระกินอย่างพระพระใช้อย่างพระพระทำยังไงมีมากก็ใช้มากนะมีน้อยก็ใช้น้อยทนะามันไม่มีจะไปใช่ทาไมภาวนาพุทโธพุทโธนะั่นะอยู่กับตัวเองนะันะนั่นะ พระเนรอง์ใดก็ตามที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนยะอย่าไปกระโดดโลดเต้นถ้ามันมีมาโดยธรรมเราก็ทำํำถ้าไม่มีโดยธรรมมาเราอย่าไปแผ่ไปขออย่าไปเรียบไปไลอย่าไปทุกข์กับทางด้านวัตถุจนเกินไปนะ่ะนี่แหละอันนี้ก็คือแนวปฏิปทาของหลวงพ่ออินฟังไว้นะลูกหลานคณะทศไทยญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะแต่หลวงพ่อเห็นน้ําแล้วมันขุนกลักเลยโอ้โหทําไมน้ำมันขุนเหมือนกับน้ําขี่โคลนเลยนะ อนางกี่โคลนนะเหมือนกับถล่มมาจากที่ไหนก็ไม่ไม่รู้นะหลวงพ่อก็เลยบอกสงสัยพญานาคเออคิดสนุกมาไปหากินเลี้ยงกันแถบ e ๆ e หลังเขาแถ e วแถ e วภูแถ e วบ้านเพิ่มแถ e ว เ, เวนบริเวณเขาวเมืนนะ่อนัะพอกินเหล้ามาบางคงทะเลาะกันบ้งางพญานาพญานาคทะเลาะกันเ อ, อตะซ้ายเตะขวาที่มันทะเลาะกันเนะี่ยคนกินเหล้าใช่ไหม พญานาคเขาชอบกินเหล้าเด้กินน้ำ อ, อะไรเขาเรียกน้ำอะไรภาษาภาษาบาลีภาษานั้นมันมีอยู่พอกินแล้วก็คงจะโมโหกันเน่เตะซ้ายเตะขวา ท, ทลายตีนทีภูเขาลูกนั้นลูกนี้คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมั้งน้ำก็เลยขุดกลับมาเลยอ่างั้นเเห็นไหมน้ำขุดไม่ลูกหลานขุนจริงๆนะหลวงพ่อว่านะ เหมือนกับน้ําขี้โคนลนมันไหลมายังไงก็ไม่ทราบนะแต่หลวงพ่อก็เลยอดคิดไม่ได้แต่นี่อดคิดไม่ได้ถึงเขาเล่านิทานนะนิทานประล้ำประลานะไม่ใช่นิทานพระไตรปิฎกนะหลวงพ่อก็เล่ารอให้ฟังตามที่หลวงพ่อไนดะ้ยินคนบวัวล่วําโบราณเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าเนี่ยตะก่อนตะกอนดึกดาบรร น, นานมาแล้วคำว่านะอะพญานาคแม่น้ําสารวิน แม่น้ำชารวินก็ผ่านเมืองพมา่าใช่ไหมล่ะแม่น้ําโขงมาทางเมืองจีนมาไทยใหญ่แล้วก็มาประเทศลาวผ่านเทือกไทยลงไปขเขมรนะตกน้ําโขงเหมือนกันแม่น้ำชารวินก็ตกนะทางอ่าวเมืองพมา่าเหมือนกันตอนนี้พญานาคสองพญานาคเนี่ยรักษาสายน้ําขนและสายกันใช่ไหม แต่นนี้สายน้ำโของอับนึงสายแม่น้ำสารวินใช่ไหมอแอบบสองคนก็เลยมันมาจากภูเขาหิมาลัยเหมันกันเนีสายน้ําเนี่ยจากมาจากทิเบตเนี่ยแต่สารวินมันลงมาจากสายไหนแต่สายน้ําโขงมาจากทิเบตเนีจากนั้นพญานาคสอง เ, อเพื่อนที่เป็นเบิ่มด้วยกัรเนี่ยก็เลยเป็นมิตรเป็นสหายกันใช่เป็นเพื่อนกันผูกเป็นเสี่ยวกันเนาะพูดง่าย เพื่อนรักกันเป็นเพื่อนเสี่ยวกันพอใหญ่ด้วยกันอะไไปมาหาสู่กันคนหนึ่งได้กินอะไรก็ส่งหากันคนหนึ่งได้กินอะไรก็ส่งหาการได้เนื้อได้ปลาก็ส่งหาการเลี้ยงกันเหมือนกับมิตรสหายที่ดีหนะึงวันหนึ่งแม่น้ำสารวินพญานาคแม่น้าสารวินไปได้ช้างบัดพอได้ช้างมาก็เลยแบ่ง เนื้อมันให้เสียวนะไอ้เสียวพญานาคน้ําโขงนะไม่ให้เยอะแยะใช่ไหช้างใช่ไหมพอต่อมาได้อีกบัตรนี้ได้เม่นบัตนี้เม่นของพวกเราก็รู้ใช่ไหมล่ะพอพอได้มาเลยส่งเนื้อไปให้อพญานาคน้ําโขงเอกมันเสียวกันวันนั้นได้กินอะไรก็แบ่งกันเลยพอแบนไได้เจนี้ไอ้พญานาคน้ําโขงเราอับ ทำไมขนาดช้างขนมันเล็กๆได้มาปเปร楞เถินเถกบานหาได้เม่ น, น, นขนมันใหญ่ขนาดไม้จิ้มฟันหลวงพอ่อนี่ยไหมขนมันใหญ่ใช่ไหมพว ก, กเราก็เคยเห็นขนเม่นใช่ไหมทำไมเอาให้เพียงแค่กำปั้นนึงกำเดียวก็ยังจะไม่พอแสดงว่าเพื่อนของเราไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงต่อกันแล้วขนาดช้าง ขนเล็กๆ ก, ก็ยังได้บักใหญ่มหาตัวสัตว์ตัวเนี้ยตัวใหญ่ๆขนบักใหญ่มาได้หน่อยๆเดียวหนึ่ง เ, เ อ, อทางพญานาคน้าโขงนี่โมโหอะไกันเถอะไม่ได้ถามทฤนนีแ้วคนโมโหเป็ น, นยันไงมันไม่มีเหตุไม่มีเหตุมีผลอะไรแล้วงย่านเง้โมโหขึ้นว อ, อไปกระตอว่าเนี่ยเอ้าเพื่อนเราจะขาดตัดยติขาดมิรกันหลายอย่างนี่ยวะทำไม อาหารเราส่งให้น้อยเดียวสัตว์ตัวนี้นะ่ะขนมันบักใหญ่บัดให้ให้อาหารเราเพียงกรมือเดียวนะ่ะปาราช้างนะ่ะขนเล็กๆนะ่ะทำไมให้ตั้งเยอะแยะเออสมัยนั้นนะ่ะแสดงว่าเพื่อนนะีย่ยเออใจญาติจะขาดญาติตัดญาติขาดมิดกันเลย ไ, ไม่หรือหรือเปล่านี่วะน่อทางพยานาค แม่น้ำสารวินอ้างเหตุผลไม่ใช่สัตว์ตัวนี้มันเป็นสัตว์เล็กแต่มันขนใหญ่ไม่ใช่หรอกตัวใหญ่เมื่อต้องขนใหญ่พ้นยังไงพูดอะไรก็ไม่ฟังพวกคนโมโหใช่ไหมเมือเหมือนกับพวกเราโมโหเลยลูกหลานพูดอะไรให้ฟังก็ไม่อยากจะฟังแนละ้วโมโหอะไรก็เอยพอใ น, นส่วนก็เลยโมโหอย่างเดียวเนะยอ้าวตอนนี้ไปเมื่อต้องเกี่ยวข้องกันพวกเรา ตัดญาติขาดมีดกันไม่ต้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันต่อไปเนี่ยจากนั้นพญานาคแม่น้ำโขงโมโหฟัดเฟียดกันแค่ไหนถีบภูเขาลูกนั้นหลูกนี่อตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยพญานาคแม่น้ําโขงเนี่ยยังไม่หายโกรธอยู่นะน้ำโขงเลยขุนตลอดเลยเหมือนกันเถ อ, เอเพะพอพญานาคน้ําโขงมันโมโหเหมือนกันเน่ยแม่น้ําพญานาคแม่น้ําสารวีนี่น้ำใสเขียววนไป เ, เพอาะอะไร เพราะน้แม่น้ำสลัวินเขาไม่โกรธเลแม่น้ำโขงเนี่ยโกรธเลยเพราะนั้นน่ะลูกหลานไปยานาคเนานะี่ยคงจะมาทรงจะใช้ความโกรธมาทะเลงทลายแถวเนี่ย น, นะน้ำเละขุ่นออกมาลูกหลานดูฟังๆดูนะอันนี้ในทานปลาลำปลาคนโบราณเขาพูดให้ฟังนะเพราะนั้นพวกเราเถึงใครจะโกรธก็ไม่ดีเหมือนกันนะถ้าโกรธแล้วขึ้นมาแล้วนะคนโกรธเนี่ย น้ำเลี้ยงหัวใจนะ่ะดำนะท่านวัดหลวงปู่ลาศท่านว่านะ่ะน้ำหัวใจมันดำไม่คงจะเป็นอย่างนั้นเอเพราะว่าเวลาคนโกรธขึ้นมาเนะี่ยตอนที่แรกก็นาดแดงเช่นก่อนใช่ไหมมันโกรธเอยโมโหเลยต่อไปก็ น, นาดดำไปมันโกรธแรงมากใชเนี่ยแหละอันนี้กับพญานาคก็เหมือนกันนะเวลาโกรธขึ้นมาเนะี่ยอืมโมโหขึ้นมากับ น, น้ำขุนน้ำโขงกันนู่นนะ่ะ เดือนเมษาน้ําขอดมั น, น, นยังน้ํายังใสขึ้นมาบ้างนะแต่ถึงยังไงใสขนาดไหนก็ยังขุนอยู่น้ำขุ่งนะแต่พอตกเดือนพฤษภาเข้ามาเนะนี่ยน้ําขุนกลักเลยจะนี่นีเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายความโกรธก็ไม่ดีความโลภก็ไม่ดีความหลงก็ไม่ดีราคะโทสะโมหะมันไม่ดีทั้งนั้นแหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้า ท่านจึงให้มองที่ใจของเราอย่าไปใช้ใช้อารมณ์โมโหโกธาโรภโกตหลงในจิตในใจให้ใช้เหตุผลให้ใช้หลักธรรมธรรมคือหลักเหตุผลธรรมะคือหลักเหตุผลถ้าว่าคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลคบกันไม่ได้ทั้งนั้นแหละถึงจะยังไงก็ตามเนอะคนที่มีเหตุผลก็ต้องมองดูมองดู ศรัทธาเนี่ยเราจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนมีเหตุผลเขามีทุกข์ยากยังไง อ, อย่างพวกเราหลวงพ่อเหมือนกั น, นถึงจะทุทกข์จนอย่างนี้ก็เถอะนะแต่ถ้าชาวบ้านเขามีความจำเป็นเราก็ต้องช่วยเขานะแต่ถ้าว่าเชาบ้านเขาไม่ไม่จำเป็นพักไปก่อนเนอะการช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วงน้พอเราเราคน เราจะต้องช่วยเราซะก่อนเนี่หลวงพ่อก็ต้องพูดอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสรุปแล้วก็คือให้มีคุณธรรมในจิตใจมองเขามองเรามองรอบๆด้านมองด้วยหลักเหตุผลอย่าไปใช้อารมณ์โมโหโกรธทายเหมือนกับพญานาคน้าโขงนะหเห็นขนเม่นเท่านั้นนะจะว่าตัวมันจะใหญ่กว่าช้างอีกมันก็ไม่ถูกเหมือนกันแนะปลว่ามองผิดอย่างนั้น มีความเห็นผิดนะการเห็นผิดแล้วอยู่กับใครก็ด่าไม่ถูกกับใครทังหมดไปอยู่เป็นหน้ากับผิดหนักไปอยู่กับผีกับผิดผีไปอยู่กับมนุษย์กับผิดมนุษย์ไปอยู่กับใครกับผิดไปอยู่กับเทวดากับผิดเทวดานะเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจไม่อยู่ในหลักเหตุและหลักผลไม่อยู่ในหลักทรทมคือหลักเหตุผล นั่นให้พวกเราอยู่ในหลักเหตุผลนะอยู่ณสถานที่ใดร่มเย็นเป็นจุกตอนน่อในไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรท่นรานหลวงพ่อเล่านิทานอะไรให้ฟังเป็นแนวความคิดนะลูกหลานนะ